คัมภีร์ของตนแล้วกราบทูลขอร้องให้เสด็จออกไปครองราชเป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิจึงจะเหมาะสมพระองค์ตรัสตอบว่าพระองค์เป็นอยู่แล้วพราหมณ์จึงถามถึงกองทัพและแม่ทัพส่งตอบว่ากองทัพของพระองค์เป็นกองทัพธรรมวงเล็บธรร ม, มเสนาส่วนแม่ทัพของพระองค์คือพระสารีบุตรตามหลักฐานที่ท่านอาจารย์อ้างถึงแสดงาว่าคําว่ากองทัพธรรมเป็นพระพุทธวจนะที่พระองค์ใช้มาแต่พุทธกาล ส่วนความมุ่งหมายในการเรียบเรียงท่านกล่าวไว้เรื่องเดียวกันอีกตอนหนึ่งว่าเมื่อผู้เรียบเรียงอายุประมาณ22ปีก็ได้เรียบเรียงเรื่องใต้ร่มกาสาวพัฒขึ้นใช้หลักฐานในพระไตรปิฎกฝ่ายเถรวาลุวนๆเป็นเรื่องกล่าวถึงพระองค์คุลิมานเช่นเดียวกับเรื่องกามนิทแต่รายละเอียดและเขาเรื่องวางไว้ต่างกัน ครั้นต่อมาจึงได้เรียบเรียงเรื่องกองทัพธรรมขึ้นอีกด้วยเห็นว่าเป็นวิธีแทรกหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเข้าไปในนวนิยายทําให้ผู้อ่านได้รับความเพลิดเพลินและคติธรรมไปในขณะเดียวกันแกนของเรื่องกองทัพธรรมวงเล็บตรงกับคําว่าธรรมเสนาคือต้องการเชื่อชูเกียรติคุณของท่านพระสารีบุตรผู้เป็นอัครส า, าวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าและได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นแม่ทัพธรรม วงเล็บธรรมเสนาบดีพระพุทธเจ้าทรงเป็นจอมทัพธรรมวงเล็บธรร ม, ร, ร, มราชากองทัพธรรมนี้ยกไปที่ไหนไม่มีการนองเลือดมีแต่ความสงบสุขและความรู้แจ้งเห็นจริงไม่อยู่ใต้อำนาจของความโง่หรือความหลงโครงเรื่องของกองทัพธรรมท่านอาจารย์ได้สมมุติตัวบุคคลที่มีการเดินทางเป็นวงกลมจากแควนและนครต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพุทธประวัติ โดยให้ในายกองเกลียนธนิยะเป็นตัวเอกของเรื่องเดิมธนิยะเป็นรัชทายาทแห่งเมืองมัทธุราเมืองหลวงแคว้นสุราเสนะ แต่ใจไม่รักในการทําราชการปกครองบ้านเมืองจึงสละราชสมบัติแห่งราชทายาทไปดําเนินการค้าโดยเป็นนายกองเกวียนเร่ขายสินค้าไปตามเมืองต่างๆพร้อมสุรเสนาบุตรชายคนเดียวของตนเนื่องจากทนิยะเลื่อมใสในคําสอนของพระพุทธองค์และศึกษาแตกฉานในคําสอนทางพระพุทธศาสนา เมื่อถึงที่ใดที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธองค์หรือแม้หลักธรรมคำสอนก็สามารถอธิบายให้ลูกฟังได้อย่างลึกซึ้งและชัดเจนทำให้สุราเสนได้ศึกษาทั้งการค้าภูมิประเทศและหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่างลึกซึ้งไปในขณะเดียวกัน เพื่อหเห็นความลุ่มลึกและเฉียบแหลมแห่งคำสอนของพระพุทธองค์ซึ่งท่านอาจารย์แฝงไว้ในคำพูดของธนิยะอย่างวิจิตบรรจงอันแสดงถึงภูมิปัญญาอันหลักแหลมในการขบคิดและแสดงออกซึ่งธรรมะคำสอนของพระพุทธองค์อย่างชัดเจนซึ่งมีอยู่ในตอนต่างๆตลอดทั้งเรื่องขอยกบางตอนมาพอเป็นอุทาหรณ์บทที่สองสหายเก่า ความโดยย่อว่าเมื่อทานายะคุมกองเกวียนเรี่ขายสินค้าไปในคาร์มานิคมชนบทราชธานีต่างๆโดยลําดับจนถึงกรุงราชครึกแข่งแคว้นมคตเมื่อได้ปลดเกวียนเพื่อให้พักผ่อนกันเรียบร้อยแล้วทานายะจึงพาบุตรชายเข้าไปในเมืองเพื่อเยี่ยมสหายเก่าที่เคยศึกษาด้วยกันมาณสําสนักตักตศิลาท่านผู้นั้นคือมหาอมาตถุผู้ใหญ่แห่งกรุงราชครึกท่านจันทรายนะ เมื่อได้เข้าไปพบทักทายกล่าวสัมโมธนียะระถาตามสมควรแล้วได้สนทนาการด้วยเรื่องการบ้านการเมืองซึ่งกรุงราชคลึกกำลังมีเหตุการณ์ส่อเขาว่าจะเกิดสงครามขึ้นแล้วท่านพะคุแม่ทแหผงกรุงราชคลึกแคว้นมคตก็ปรากฏตัวขึ้นที่ข้ารือหาแห่งท่านจันทรายนะโดยไม่ได้มีการนัดหมาย ในขณะนั้นภรรยาของจันทรัยนะพร้อมด้วยปุติดาได้ชวนสุรเสนะไปจัดที่นั้นแล้วคงเหลืออยู่แต่จันทรายนะทนยะและภคกุนั่งสนทนากันอยู่สามท่านสำหรับเรื่องกองทัพธรรมคุณผู้ฟังคงเคยฟังแล้วนะคะจากรายการสวดอักษรดิฉันได้นามาอ่านแล้วแล้วก็ใช้เวลาอ่านนานมากคิดคิดว่าเกือบสามปีทีเดียวนะคะถึงจะจบหนังสือเรื่องกองทัพธรรมนะคะพึ่งจบไปเมื่อไม่นานมานี้เอง ท่านมหาอมาตย์พระคุกกล่าวขึ้นท่านเชื่อไม่ว่าแคว้นมคตรเราอาจจะต้องเข้าสู่สงครามในเร็วๆนี้จันทรายนะหันไปมองดูทนิยะและกล่าวว่าท่านธนิยะเห็นเป็นอย่างไรธนิยะตอบว่า ข้าพเจ้าเห็นว่าการสงครามเป็นเรื่องเก่าไม่ใช่เพิ่งเคยมีในชั่วอายุเราหรือจะมีขึ้นในเร็วๆนี้เพราะฉะนั้นถ้ามกุจะเข้าสู่สงครามก็เป็นไปตามปกติธรรมดาของโลกแต่ถ้าข้าพเจ้ามีหน้าที่เกี่ยวข้องเป็นผู้คุมแผนการของแว่นแค้ขนข้าพเจ้าจะพยายามระงับสงครามจนสุดความสามารถ ท่านธนิยะผู้เจริญพระคุณนายทัพแขวนมคธกล่าวขึ้นดังที่ข้าพเจ้าได้กล่าวกับท่านแล้วแม้ข้าพเจ้าเป็นทหารธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เตือนใจให้ข้าพเจ้าหาทางตกลงกันด้วยความสงบอยู่เสมอแต่ถ้ามคตถูกรุกรานเราจะทำอย่างไรเราได้ตกลงกันแล้วในสภาการทหารว่าถ้าถูกรุกรานเราจะรบ จันทรายน่ะหันมามองหน้าธนิยะอีกแล้วกล่าวว่าดีแล้วข้าพเจ้าอยากฟังความเห็นของท่านธนิยะเหมือนกันท่านนายทหารและมหาอมาตย์ข้าพเจ้ากล่าวแล้วว่าถ้าข้าพเจ้ามีหน้าที่เป็นผู้ควบคุมแผนการแห่งแว่นแคว้นข้าพเจ้าจะพยายามระงับสงครามและท่านได้ย้อนถามว่าถ้าถูกรุกรานจะทําอย่างไรข้าพเจ้าคิดว่าถ้าข้าพเจ้าเกี่ยวข้องด้วยข้าพเจ้าจะทําไม่ให้เข้ามารุกรานได้ ถ้าเช่นนั้นหมายความว่าเราจะต้องเป็นฝ่ายรุกรานก่อนกระมังทั้งไม่รุกรานเขาและไม่ให้เขารุกรานเราประเสริฐมากถ้าท่านจะโปรดให้คําแนะนําแก่ข้าพเจ้าบ้างก็จะชื่อว่าทําประโยชน์อันยิ่งใหญ่ท่านนายทหารเพียงเท่าที่ข้าพเจ้าพูดว่าจะไม่รุกรานและจะไม่ทําให้เขามารุกรานเท่านี้ข้าพเจ้าก็เชื่อว่าจันทรายนะสหายของข้าพเจ้าผู้บําเพ็ญปฏิปทานนี้อยู่แล้วจะอธิบายได้ดี ถูกแล้วท่านพระคุจันทรายนากล่าวขึ้นปฏิปทานนี้เป็นธงชัยแห่งพระพุทธศาสนาที่ใช้ได้แม้ในการบ้านเมืองการผูกไมตรีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และบำเพ็ญคุณความดีต่อกันนี่แหละจะเป็นทางป้องกันการเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายเราต้องมีวิธีทำศัตรูให้เป็นมิตรด้วยความจริงใจของเราอาจจะมีผู้คิดเพียงผิวเผินว่า การที่หลักธรรมแห่งพระพุทธศาสนาสอนให้ชนะคนด้วยความดีเป็นการสอนให้อ่อนแอเป็นคนที่แพ้ยอมเมตตากรุณาแม้แต่ศัตรูถ้ามนุษย์ปฏิบัติตามบ้านเมืองก็จะตั้งอยู่ได้อย่างไรจะไม่ตกไปอยู่ในมือของศัตรูหรือเพราะการฆ่าศัตรู ก, ก็เชื่อว่าทําบาปเหมือนกันถ้าเรากลัวบาปเราไม่ต้องไปเป็นทาสเข้าหรือปัญหานี้ข้าพเจ้าเห็นว่าเราควรคิดควรพูดควรหาเหตุผลกันให้แตกหักพราะศาสนาของเรา ไม่รังเกยียจการพูดแยง้งเพื่อหาความจริงตามความเห็นของข้าพเจ้าหลักธรรมข้อนี้ของพระพุทธศาสนาเฉียบแหลมมากจนคนที่พิจารณาเพียงผิวเผินเห็นว่าผิดเพราะคล้ายๆกับว่าเมื่อปฏิบัติตามหลักธรรมนี้แล้วจะต้องหากเป็นคนเสียปรียบให้คนอื่นด่าว่าหรือข่มเหงเรื่อยๆไปแต่ถ้ามองดูให้สุขุมลึกซึ้งแล้วจะเห็นได้ว่าหลักธรรมนี้ไม่ทําให้เป็นคนขี้แพ้ หากทำให้เป็นคนไม่แพ้ใครเพราะไม่ต้องไปรบ ก, กับใครทําให้เป็นคนไม่มีศัตรูเพราะไม่ปลูกศัตรูเป็นการแก้ที่ต้นเหตุตัดเหตุแห่งความเดือดร้อนทั้งมวลการแก้ที่ปลายเหตุคือรอให้ศัตรูยังย่งยีแล้วจึงต่อสู้นั้นก็คงมีแพ้บ้างชนะบ้างเสมอกันบ้างแต่จะแพ้จะชนะหรือจะเสมอก็ตามความเสียหายย่อมจะเกิดแก่คู่ต่อสู้ทั้งสองฝ่ายซึ่งเปรียบ เสมือนศาสตร์ของโสโครกใส่กันคงต้องเหม็นด้วยกันทั้งสองฝ่ายฉะนั้นหลักธรรมแห่งพระพุทธศาสนาแก้ไม่ให้เกิดการศาสตร์ของโสโครกใส่กันไม่ให้รบกันให้เมตตาอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันจะชื่อว่าหัดให้อ่อนแออย่างไรเราลองคิดดูเถอะว่าการที่เราสอนให้ใช้น้ําดับไฟแทนใช้น้ํามันดับไฟนั้นเป็นการสอนถูกทางหรือไม่ และถ้ายิ่งปรากฏว่าเราสอนให้รู้วิธีทำไม่ให้เกิดไฟไหม้ขึ้นซึ่งทำให้เราไม่ต้องเดือดร้อนในการดับนั้นเป็นการโง่หรือฉลาดกว่าสอนให้เอาน้ำมันดับไฟเพียงไรการที่เราต้องลังเลว่าการฆ่าศัตรูเป็นการบาปหรือไม่นั้นแปลว่าเราไปเผชิญปลายเหตุเสร็จแล้วเรารอให้เกิดศัตรูแล้วจึงคิดแก้ซึ่งเปรียบเสมือนเรารอให้ไฟไหม้แล้วจึงหาวิธีดับ พระพุทธศาสนาสอนไว้ทั้งวิธีป้องกันไม่ให้เกิดไฟคือไม่ให้เกิดศัตรูสอนทั้งวิธีดับไฟให้ถูกทางคือเมื่อเกิดศัตรูแล้วให้รู้วิธีแก้ให้เหมาะสมอย่าไปเพิ่มความเป็นศัตรูมากนักหากให้รู้วิธีลดความเป็นศัตรูให้น้อยลงด้วยใช้ความดีเข้าโต้ตอบอันเทียบด้วยการลดกําลังไฟด้วยน้ําหรือวัตถุที่ไม่เป็นเชื้อไฟอื่นๆมีโครนเป็นต้นฉะนั้น ตรวจะหาว่าข้าพเจ้าพูดขัดเลยคุณท้าพ่นเ็นจากคิวรีนครแย้งหลักทำดีต่อผู้อื่นนั้นก็นับว่าแยบคายแต่วิสัยคนผ่านแล้วแม้เราทำความดีต่อเขาสักเท่าไหร่ก็ดูเหมือนจะยิ่งทำให้ได้ใจเพื่อจะเบียดเบียนเรายิ่งขึ้น ดูก่อนคุณทัพค้าพเจ้าเห็นใจท่านผู้เป็นทหารแต่ข้าพเจ้าจะอุปมาให้ท่านฟังเหล็กท่อนใหญ่และยาวขนาดเสาเรือนเราคงยอมรับว่าจะหักให้งอหรือขาดจากกันแล้วเป็นการเหลือวิสัยเพราะเพียงแต่จะทําให้เคลื่อนที่ก็เป็นการยากยิ่งแล้วแต่ท่านจะปฏิเสธทีเดียวหรือว่าไม่อาจทําให้งอหรือขาดจากกันได้ถ้าเรามีเครื่องมือสําหรับดัดหรือตัดอันใหญ่ยิ่งกว่าเหล็กท่อนนั้นหลายเท่าภาชนะ น้ำโลหะที่อยู่เบื้องหน้าเรานี้ถ้าให้หมดยกคงไม่ยกไม่ได้แต่พวกเราใช้มือข้างเดียวยกได้โดยไม่ยากข้าพเจ้าเชื่อว่าผลใดๆก็ตามที่เราปรารถนาถ้าเราประกอบเหตุให้มากหรือใหญ่พอกันแล้วผลนั้นย่อมไม่เป็นของเหลือวิสัยท่านกินข้าวคําเดียวยังไม่อิ่มก็เพราะท่านทําเหตุยังไม่พอถ้าท่านกินหลายๆคาท่านก็คงจะอิ่มได้ ผู้ปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาจะต้องมีความเพียรมีความอดทนและพิจารณาเหตุผลในการประกอบกิจเพื่อประโยชน์ที่มุ่งหมายแม้จะต้องประสบอุปสรรคแล้วแล้วเล่าเก็ไม่ถึงย่อท้อและเมื่อพูดมาถึงเพียงนี้แล้วก็จะขอเล่าถึงเรื่องส่วนตัวของข้าพเจ้าให้ฟังท่านก็เป็นนายทหารมานานก็ย่อมรู้จักข้าพเจ้าดีว่าได้ต่อสู้เอาชนะผู้ริษยาอาฆาตและศัตรูในราชสานักมาอย่างไร บุคคลสําคัญสําคัญที่ยอมรับกันทั่วไปว่าเป็นคนผ่านหาที่เปรียบได้ยากบุคคลเหล่านั้นพยายามแกล้งพยายามเบียดเบียนข้าพเจ้าโดยประการต่างๆและข้าพเจ้าได้พยายามเอาความดีเข้าสู้ในชั้นแรกก็ดูเหมือนจะทําให้เขาได้เข้าใจอย่างที่ท่านว่าจริงแต่ต่อมากลับมากราบข้าพเจ้าจนถึงบ้านขอให้นับถือเป็นผู้มีอุปการะคุณคนหนึ่งในเมื่อปรากฏว่าข้าพเจ้าได้เคยกราบ ทูลพระราชาขอให้ทรงเลื่อนตำแหน่งแก่ผู้นั้นๆทั้ทงๆ ท, ที่เขาจงเกลียดจงชังริษยาข้าพเจ้าดูก่อนคุณทัพการทำความดีข้างนอกให้ร่มเงาของความดีใายมาเป็นความสุขแก่ตัวเรานี้คนมักจะมองข้ามไปและเห็นเป็นไม่สำคัญยิ่งกว่านั้นยังนิยมเบียดเบียนผู้อื่นเพื่อส่งเสริมความสุขของตนซึ่งหาู้ ไม่ว่าแท้จริงการทำเช่นนั้นเท่ากับเรียกร้องความหายณนล่มจมมาสู่ตนยิ่งขึ้นเพราะผู้ที่ถูกเบียดเบียนย่อมจะหาทางแก้แค้นโต้อตอบแต่ถ้าเราทำดีต่อคนทั่วไปเราก็ชื่อว่าทำความสุขให้แก่ตนเหมือนคนมุงหลังคาบ้านความร่มเย็นส่งผลมาถึงตัวเองหรือผู้รดน้ำต้นไม้แต่ผลได้ตกแก่ผู้นั้นเอง การทำความดีต่อคนอื่นให้ผลดีมาตกอยู่ที่ตัวเรานี่แหละข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นข้อมุ่งหมายตรงกันระหว่างข้าพเจ้าและท่านธนิยะผู้แสดงความเห็นเรื่องการทำไม่ให้ผู้อื่นรุกรานเราท่านมหาอมาตย์ข้าพเจ้าจะลองนำความเห็นนี้เข้าสู่ที่ประชุมสภาทหารและนำข้อตกลงกราบทูลแด่พระราชาแต่ถ้ามีการ กะตัวบุคคลผู้จะไปเป็นทูตจำเริญสัมพันธไมตรีอย่างที่จะไม่ให้ศัตรูดูหมิ่นได้ว่าเราไปเพราะเกรงกลัวเขาแล้วท่านจะรับหน้าที่ทูตได้หรือไม่ท่านนายทหารข้าพเจ้ายินดีรับหน้าที่นี้จนเต็มความสามารถเพราะเป็นการระงับกระแสทานแห่งโลหิต ด, ด้วยหลักสานติของพระศาสดา ท่านมหาอมาตท่านจารุณาชี้แจงให้ฟังได้หรือไม่ว่าท่านจะพูดอย่างไรให้กษัตริย์ต่างแคว้นเห็นว่าเราจำเริญสัมพันธไมตรีนี้มุ่งธรรมมุ่งสารติไม่ใช่เพราะเกรงกลัวอำนาจของใครๆท่านนายทหารมาคตเป็นแคว้นใหญ่มีกำลังกองทัพอันน่าพรั่นพลึง ลู่ทางที่จะพูดให้มีสง่านั้นไม่เป็นของยากแต่เรื่องนี้เป็นเพียงสมมุติเท่านั้นเรายังไม่ได้ตกลงกันว่าจะปฏิบัติจริงจังเพียงไรเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเราควรยุติเรื่องรายละเอียดไว้ก่อนนี่เป็นเพียงบทหนึ่งในสี่สิบหกบทในหนังสือกองทัพธรรมท่านผู้อ่านจะได้ลีลาเหตุผลอรรถรสตลอดจนอุ ป, ปมาโวหารอันแหลมคมสามารถโน้มน้าวให้เข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งดูเผินเกินเป็นการทวนกระแสะความคิดทางสังคมแต่เมื่อได้เข้าใจแจังแจ้งแล้วก็คือสัตว์จะทำซึ่งเป็นกุญแจดอกใหญ่ที่จะไขไปสู่การป้องกันปัญหาของสังคมแทนการแก้ปัญหาทางสังคมอย่างแท้จริง มาถึงตอนนี้ทำให้ข้าพเจ้าฉุกคิดขึ้นมาว่าการที่ท่านอาจารย์ผู้เรียบเรียงกองทัพธรรมได้ทุ่มเทชีวิตให้กับการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเกือบทั้งชีวิตสร้างวรรณกรรมอันทรงคุณค่าหลากหลายไว้ให้เป็นตำราค้นคว้าของอนุชนรุ่นหลังตลอดจนกระทั่งได้เริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่เห็นอยู่ในปัจจุบันจะถือได้ว่าท่านได้สร้างกองทัพธรรมขึ้นมา ในแวดวงแห่งพระพุทธศาสนาเพื่อผลักดันล้อแห่งพระธรรมให้ยังคงหมุนต่อไปตามพระพุทธประสงค์ด้วยหรือไม่ขอฝากไว้ในดุลพินิจของท่านผู้อ่านต่อไปด้วยท่านอาจารย์ผู้เรียบเรียงได้สรุปไว้ในตอนอวสานของเรื่องด้วยคำที่ไพเราะและมีความหมายกินใจว่าที่นี่ท ร, รมเสนากองทัพธรรมได้ผ่านแล้วโรงบูชาไฟกลายเป็นโรงต้มน้ําและโรงหุงอาหารไปแล้ว มูลเท่าอันถือว่าศักดิ์สิทธิ์กลายเป็นเครื่องขัดภาชนะโลหะไปแล้วการเบียดเบียนการฆ่าสัตว์เผาสังวยเทวดาด้วยสำคัญว่าเป็นบุญ น, นั้นอันชนผู้ตื่นจากความหลงทั้งหลายละทิ้งแล้วความยินดีในการทะเลาะวยวาสในการกล่าวโต้เถียงแก่งแย่งแข่งดีกันได้กลายเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาแล้วอาธรรมาเ ส, สนา กองทัพรมได้ยกเข้าเหยียบย่ำขามะนิคมชนบทราชธานีใหญ่น้อยกวาดล้างความเชื่ออันร้ายเหตุผลความเป็นผู้โหดร้ายทารุณต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์เสียสิ้นแล้วพร้อมกับได้หวานโปรยความสงบความร่มเย็นเป็นสุขให้แผ่ปกคลุมอยู่ทั่วไปสิ่งที่ทำมะเสนาได้ละไว้ณเบื้องหลังคือความใส่ใจในความสงบอันเกิด แต่การเว้นขาดจากการข่มเหงเบียดเบียนลักช่อล่อลวงกันความหมั่นขยันในหน้าที่การงานของตนความสันโดษรู้จักยินดีด้วยของตนไม่ก้าวไก่ล่วงช่วงชิงของผู้อื่นและประการที่สุดอันสําคัญยิ่งคือความเป็นผู้ตื่นจากความเคล้าในปัญหาแห่งชีวิตทั้งตวง เป็นตัวอย่างของกองทัพธรรมที่เขายกเข้ามาใส่ในหนังสือเล่ม น, นี้นะคะอยู่ในผลงานและประวัติของท่านอาจารย์สุชีเป็นผลงานทางด้านวรรณกรรมของอาจารย์ที่อิงนวนิยาอิงหลักธรรมนะคะเดี๋ยวคราวหน้าเขาจะยกตัวอย่างลูกน้ําน้ ำ, นำมาทาซึ่งเรายังไม่ได้อ่านกันเลยนะคะแล้วก็มีอีกหลายๆบทตอนนี้ก็ใกล้จะจบเล่มแล้วล่ะคะ่ะสําหรับหนังสือที่ชื่อว่าประวัติ และงานของท่านอาจารย์สุชีปุญญานุภาพนะคะซึ่งท่านเป็นบุคคลที่น่าศึกษาและก็ค้นคว้าอย่างมากนะคะเกี่ยวกับประวัติของท่านและผลงานเพื่อเป็นแบบอย่างแก่อนุชนรุ่นหลังนะคะซึ่งผลงานที่ท่านทําไว้เนี่ยมีประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากทีเดียวค่ะและเราก็ยังได้แง่คิดจากหนังสือของท่านอาจารย์หลายๆแง่คิดด้วยกันค่ะ ดูเวลาแล้วเดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือเพลงบรรเลงเพราะๆจากคุณสัชิธรกวังคดิรกสักครู่หนึ่งนะคะแล้วกลับมาในช่วงที่สองของรายการค่ะ ทําทำหน้าที่ดำารายการพร้อมกับคุณาสาธิตรควังคัติหลกที่นำเพลงบันเลงเพราะๆมาเปิดให้กับคุณผู้ฟังผ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะคะในช่วงของเวลาของรายการสวนอักษรมีหนังสือสองเล่มสำหรับวันพะหัสบดีค่ะเล่นที่สองนี้เราอยู่ในผลงานของท่านอาจารย์สุชีพปัญญานุภาพนะคะที่ชื่อว่าใต้ร่มกาสาวะพัดเรามาอ่านกันต่อเลยนะคะบทที่หนึ่งบ่าวโจร พระผู้มีพระภาคเสด็จมาถึงเมืองสาวัตถินั้นเกิดข่าวเล่าลือว่ามีโจรสำคัญเที่ยวปล้นฆ่ามนุษย์ทั่วไปในเขตต่างๆแห่งแคว้นโกศลโจรผู้นี้มีฝ่ามือชุ่มด้วยโลหิตเป็นคนใจร้ายเยี่ยมโหดไม่ปราณีผู้ใดเข้าลุกรานหมู่บ้านใดหมู่บ้านนั้นก็ร้างเพราะมนุษย์พากันอบพ ย, ยพหลบหนีบ้างถูกฆ่าตายบ้างแม่นิคมชนบทที่โจรผู้นี้เที่ยวลุกลานไปก็เช่นเดียวกัน ชาวบ้านพากันหวาดสะดุง้งพราะข้าเกวียนที่เดินทางไปมาค้าขายระหว่างแคว้นโกศลกับมคตและแคว้นโกศลกับวัชิรต่างเต็มไปได้วยความวิตกกังวลรู้ข่าวว่าโจรผู้นี้เที่ยวไปทางใดก็เว้นทางนั้นเสียขับเกวียนไปทางอื่นใครๆพากันเรียกโจรผู้นี้ว่าองค์คุลิมานแปลว่าผู้มีนิ้วมือเป็นพวงมาลายัยคือเขาฆ่ามนุษย์ได้เท่าไหร่ก็ตัดนิ้วไว้เท่านั้นทําเป็นพวงมาลัยคล้องร่างทเที่ยวไปในที่ต่างๆ องคุลิมานนั้นชำนาญในการต่อสู้เป็นผู้มีจิตใจเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวเดินและวิ่งได้รวดเร็ ว, ร ว, รวพระรัศษาวิชาอาวุธมาแต่เมืองตักกัสลาราชธานีแห่งแคว้นคันธระซึ่งเป็นเมืองเดียวกับที่พระเจ้าประเสิทธิเสด็จไปศึกษาในสมัยเป็นราชกุมารองค์คุลิมานไม่เคยกลัวคนหมู่มากที่จะมาต่อสู้กลับมีความรู้สึกว่าตนจะได้เพิ่มพวงมาลัยนิ้วมือให้ยาวออกไปอีก จนกว่าจะได้เท่าจำนวนนิ้วที่ต้องการอยะว่าแต่คนทั้งหลายจะต่อสู้เลยเพียงแค่เห็นเข้าเท่านั้นก็รีบพากันหลบหนีห่างไกลยิ่งแล้วข่าวที่ว่าองคุลิมานเป็นโจรฆ่าฟันมนุษย์ได้ระเบือทั่วไปในแคว้นโกสลนเป็นเหตุให้พระเจ้าประสิทีิหนักพระราชวิธัยอย่างยิ่งในการรบและแม้ในการปราบโจร ผู้ที่เป็นประมุขจะต้องออกต่อสู้ด้วยตนเองพร้อมกับเพล่พลนของตนองคุริมานเป็นโจรที่ไม่เคยกลัวใครเพียงออกชื่อก็ดูเหมือนจะลดกำลังใจของผู้ที่คิดจะต่อสู้ให้กลายเป็นคนคิดหนีเสียแล้วพระเจ้าประสิทธิแม้ไม่ทรงเคยเห็นองคุริมานก็ไม่วายประวัลพระราชาพิไทยแต่ด้วยขันติยะมานะพระองค์หาได้ทรงแสดงพระอาการพรั่นพลึงให้ปรากฏไม่ ถ้าพันธุระเสนาบดีผู้ขุนพลยังอยู่อย่าว่าแต่จะมีโจนองคุริมาญเพียงคนเดียวเลยแม้จะมีสักหาหรือสิบองคุริมาญก็วางใจได้ว่าโจนเหล่านั้นจะราบคาบภายในเวลาอันเล็กน้อยพันธุระเคยใช้ธนูยิงเจ้าลธิชวีตายไปนับร้อยในการต่อสู้ที่เมืองภัยาลีคราวพาภรรยาของตนไปอาบน้านในสระที่ห่วงข้าม พันธุละเคยแสดงฝีมือฟันไม้ไผ่หลายลำซึ่งญาติแอบเอาเหล็กสอดไว้ณนะภายในขาดได้อย่างง่ายดายและเพราะโกรธว่าพวกญาติไม่บอกให้รู้ล่วงหน้าเป็นเหตุให้ตนฟันมีเสียงดังกริกพันธุละเจ้าชายแห่งแคว้นมาละจึงละเมืองปุสิณาราของตนไปทำราชการเป็นเสนาบดีตำแหน่งขุนพลของพระเจ้าปรเซนทิ เพื่อนร่วมสำนักศึกษาณเมืองสาวัตถีแต่พระเจ้าประส e n t ิหลงเชื่อคนยุสินใช้อุบายฆ่าฟันพันธุราเสนาบดีพร้อมทั้งบุตรหลายคนเสียเมื่อทราบภายหลังก็สิ้นคนดีไปแล้วอย่างแก้ไขไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าจะมีคราวใดที่พระเจ้าประส็น t ิทรงระลึก ถ, ถึงพันธุลผู้ซื่อสัตย์มากที่สุดคราวนั้นก็น่าจะเป็นคราวที่พระองค์ทรงตรหนักว่า จะต้องคุมพลไปปราบองค์คลิมานด้วยพระองค์เองในบัดนี้การเตรียมพลม้าไม่น้อยกว่าห้าร้อยได้จัดกันขึ้นโดยด่วนตามระสั่งของพระเจ้าประเส e n t ิน้ำใสใจจริงนั้นพระเจ้าประเส enti โกศลไม่อยากจะเสด็จเลยแต่หน้าที่ปกครองแคว้นทําให้ต้องจําใจเสด็จและก่อนที่จะคุมพลไปสู่ที่อื่นพระองค์ได้ทรงเครื่องรบขึ้นสู่รถศึกออกจากประตูเมืองพร้อมด้วยพลมาตามเสด็จ ตรงไปยังเชตวนารามเพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาคแต่เวลายังไม่สิ้นแสงตะวันการที่เสด็จไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคก็ด้วยทรงพระดําริว่าพระผู้มีพระภาคไม่ได้สงเคราะห์เราด้วยประโยชน์ภายหน้าเท่านั้นย่อมสงเคราะห์แม้ด้วยประโยชน์ปัจจุบันเราไปครั้งนี้ถ้าไปดีพระผู้มีพระภาคคงจะแสดงพระอาการดุษฎีถ้าจะไปถูกฆ่าตายเราคงได้สดับคําท้วง ด้วยอริยะโวหารเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงทักท้วงแล้วไพรพล ค, คงไม่ยอมให้เราออกปราบโจรด้วยเห็นแก่ชีวิตของเราและการที่ไพรพ ล, พลไม่ยอมให้เราไปไม่ใช่เราหลีกเลี่ยงเองนั้นแม้ใครทราบก็ไม่เป็นที่อับอายด้วยวิธีนี้จะเป็นอันเปลื้องข้อคอรหาได้เหตุที่ใช้คนมาล้วนๆออกในคราวนี้ก็คือพระเจ้าปเปเสนที่ทรงเตรียมไว้ทั้งเพื่อแพ้และเพื่อชนะ ถ้าแพ้ก็จะได้หนีทันหรือถ้าชนะจะได้ติดตามทันพระองค์คุลิมานไม่ได้ใช้ม้าอย่างไรพระองค์ก็คงจะได้เปรียบเมื่อใกล้เชตวนารามและสิ้นเรียธานที่ยานจะพึงไปได้แล้วก็เสด็จลงจากรถสึกดำเนินด้วยพระบาทไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมแล้วนั่งประทับนับที่ควรส่วนหนึ่งส่วนพวกพลประจําม้าที่ตามเสด็จก็ถวายบังคมนั่งรดหลันผันออกไป ขณะนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ท่ามกลางพิสุกบริสัทท้าพระเนตรเห็นพระเจ้าประเสิทธิมาถวายบังคมและประทับนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งเช่นนั้นจึงตรัสปราศัยว่ามหาปพิธพระเจ้าพิมพ์พิสารจอมศรีนาแคว้นมคตเจ้าลิชวีแห่งเมืองภัยสาลีหรือพระราชาที่เป็นปฏิปักษ์อื่นๆทําให้พระองค์ทรงพิโรธหรืออย่างไรไม่มีพระราชาใดกาเริบดอกพระเจ้าค่า แต่มีโจรเกิดขึ้นในแคว้นของข้าพระองค์ชื่อองค์คุลิมานเป็นคนโหดร้ายมีมือชุ่มด้วยโลหิตพอใจในการฆ่าการประหารหาความประณีในผู้ใดไม่ได้มันทําหมู่บ้านนี้ให้เป็นหมู่บ้านทํานิคมชนบทนี้ให้เป็นนิคมชนบทมันฆ่ามนุษย์แล้วตัดนิ้ว ม, มือไว้ทําเป็นพวงมาลัยคล้องร่างข้าพระองค์จักปราบมันมหาประพิษก็ถ้าพระองค์ พบองคุริมานนั้นปลงผมและหนวดแล้วนุ่งห่มผ้าย้อมฝาดออกจากเรือนบวชไม่มีเรือนเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากลักทรัพย์เว้นจากผู้เท็จฉันมือเดียวประพฤติพรหมจรรย์มีศีลมกัลยาณธรรมดังนี้พระองค์จะทำอย่างไรกับองคุริมานนั้นข้าพระองค์พึงอภิวาทพึงลุกขึ้นต้อนรับหรือพึงนิมนต์ด้วยอาสนะ พึงถวายปัจัจสี่หรือพึงให้ความรักษาคุ้มครองอันเป็นธรรมแกองคุริมานนั้นก็แต่ว่าคนทุศีนมีธรรมอันลามกอย่างองคุริมานนั้นจักมีศีลสังวรเห็นปานนี้มากแต่ไหนลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงยกพระหัต์เบื้องขวาขึ้นชี้ไปทางพิสุรูปหนึ่งซึ่งมีรูปร่างสูงใหญ่นั่งอยู่ไม่ไกลนัก ด, ด้วยพระจำรดว่า มหาปพิธนี่คือองค์คุริมานด้วยพระดารับเพียงเท่านี้พวกใกล้พลที่ตามเสด็จพระเจ้าประเสนธิและแนั่งอยู่ ถ, ถัดๆไปและดูตามพระหัตถ์เห็นเป็นองค์คุริมานแน่ก็พากันเพ่นกระโจนอย่างไม่คิดชีวิตพากันขึ้นมา้ารีบขับเข้าเมืองสาวัตถีโดยด่วนด้วยคิดว่าองค์คุริมานคงรู้ว่าพวกเราจะออกกำจัดจึงมคอยดักที่เชตวานารามเสียก่อนพระเจ้าประเสนธิเห็นจะถูกจับแน่แล้วเราพากันเอาตัวรอดเถอ เพราะคิดเช่นนี้จึงพากันหนีไปทิ้งให้พระเจ้าประเส enti ประทับนั่งตะลึงเต็มไปได้วยความสะดุ้งหวาดกลัวอยู่แต่พระองค์เดียวพระกันพทหารหนีกันเต็มหมดเลยนะคะห้าร้อยนาย <c oughs> ขึ้นมา ห, หนีไปเลย <c oughs> พระผู้มีพระภาคทรงทราบความที่พระเจ้าประส enti ตกพระไทยกลัวจึงตรัสว่าอย่าทรงกลัวเลยมหาปพิธอย่าทรงกลัวเลยมหาปพิธบัตรนี้ไทยซึ่งจะเกิดแต่องค์ุรีมานไม่มีอีกแล้ว พระเจ้าปเปเสนที่ก็คลายความสะดุ้งตกพระหาลิไทยจึงเข้าไปหาพระองค์คุริมาและตรัสว่าพระผู้เป็นเจ้าองค์ุริมาของข้าพเจ้าหรือนี่มีเสียงตอบอันชัดเจนค่อนข้างดังและห้าวหาญแต่เต็มไปด้วยความสุภาพมาจากพิสุรูปนั้นว่าขอถวายพระพรอาตมาภาพนี่แหละคือองค์คุริมาประทานโทษเถอะโยมทั้งสองของพระผู้เป็นเจ้านั้นสกุลว่ากระไร ขอถวายพระพรโยมชายของอาตมาภาพตระกูลคัดคะและโยมหญิงตระกูลมันตณีดีแล้วพระผู้เป็นเจ้าคัดคะมันตณีบุตรจงยินดีเถิดข้าพเจ้าจักรับเป็นผู้จัดถวายปัจใจสี่แก่พระผู้เป็นเจ้าพระองค์กลิมานถือการอยู่ป่าเที่ยวบินธบสรงผ้าบางสกุลและส่งผ้าสามผืนเป็นวัดจึงถวายพระพรว่ามหาบาพิตรไตรจีวรของอาตมาภาพบริบูรณ์แล้ว ขอพระองค์อย่าได้ทรงเป็นกังวลเลยลำดับนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาทถวายบังคมประทับนั่งและที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วทูลว่า